ที่นี่เป็นที่สำคัญที่หนึ่งนะเข้ามาแล้วต้องสํารวมจิตใจดีๆนะเราเคารบด้วยใจของเราเลยนะาหาัวะใจของเรามีการสํารวมเข้ามานี่คือการเคารพการแสดงความเคารพอย่างแท้จริงเลยนะเราเคารพออกมาจากใจเราโดยตรงเลยนะอวัาวาะใจมันมีความเคารพใจมันมีความนอบน้อม แ, แสดงว่า เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจริงๆเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพธรรมคำสอนของพระองค์จริงๆเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์จรงสถานที่แห่งนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทาปาติโมกหมายความว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้า แต่ะรู้เรียบร้อยแล้วที่พุทธคยาจากนั้นก็เสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะมลุกธาโย ว, วันที่แสดงปฐ ม, มเทศนาลราไปมาหมดแล้วแล้วก็พักจำวังสาอยู่ที่นั่นเมื่อออกคำสาแล้วได้เก้าเดือนก็ได้เสด็จมายัางสถานที่แห่งนี้เพราะว่า กักสนรุก็วันวิสาขาบูชาต่อมาก็วันอาสาวหาบูชาแล้วก็มาถึงมาคะบูชาก็มามาถึงตรงนี้พอพระองค์มาตรงนี้ ป, ปั๊กเนี่ยในขณะนั้นสาวกของพระองค์เนี่ยรลูกออกไปเถยแผ่ธรรมพราะพระพุทธเจ้าสมัยนั้นสาวกยังน้อยอยู่พระองค์ก็ให้ออกไปเถยแผ่ธรรมกันหลังจากที่ สาวพกของพวงบรรลุธรรมกันแล้วก็ให้ออกไปทางหนึ่งให้ไปองค์เดียวแล้วก็ให้ไปประกาศธรมจันท์ก็คือว่าไปสอนเพราะในสมัยนั้นมีความเข้าใจผิด ก, กันเยอะมากเจอางที่นในประวัติเนี่ยเราฟังมาในรถก็โอ้โหความหลงผิดที่อินเดียนั้นมากมายมา ก, มากในสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาเนี่ยความลุ่มหลงว่าไอสิ่งที่ผิดแล้วมันเป็นถูกนี่เยอะแยะมากมายเนี่ย เนั้นพอวันมาค่าบูชายันเพ็ญเดือนสาซึ่งตีนี้ก็จะตรงกับวันที่สิบสี่ตีนี้ตรงกับวันวันวาเลนไทน์พอดีเลยนะจะเห็นว่าหนุ่มสาวของเราเนี่ยเขาไปตปให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์มากวันแห่งความรักเพราะเขากําลังอยู่ในวัยแห่งความรักแต่อพอไปถามพวก ไอศ า, า, า, าสน า, าที่มีพระเ จ, จ้าของเขาอะไอย่างนตรงนี้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนักบวชที่เป็นเนี่ยที่มาของไอวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยนี่นืน่อยหน่อยแล้วเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญแต่มันมามีความสําคัญในประเทศไทยเราที น, นี้ตีนี้เป็นการมาค้าบูชาเลยทีนี้เราก็เลยมาวันนี้ก็เราก็มาถือว่าเรามาทํามาคาบูชาที่นี่ จะมีการเวียนเทียน ท, ที่วันมาค่าบูชาเนี่ยรัชการที่สี่ของเราท่านค้นคว้าเรื่องกี่ยวกับศาสนาแต่ก่อนสมัยก่อนมันมีวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแต่มาในหลวงรัชการที่สี่ของเราเนี่ยเห็นว่าวันนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันต้องมีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นเขาเรียกาจาตุเรงข้าศนิบ่าวมัมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสีอย่างที่พร้อมกันเลย นึ่งมีพระรหัหนึ่งพันสอ ร, าาร 1, 2, ้อมาพบกันโดยไม่ได้นับหมายคือสาวกของพระเจ้าไปเผยแผ่ธรรมตรงไหนก็ะทำมันจะรู้สึกขึ้นมาเองเลยว่าอ๋อต่อไปนี้ยามนี้ต้องไปต้องไปพบพระพุทธเจ้าแล้วเนื่องในว่าพลังอนุภาคของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไปถึงแล้วก็ในสมัยนั้นพระที่บรรลุธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปฏิสัมพิทายามกันมี เ, เรียกว่ามีอภิญญายามกันทั้งนั้นก็รับรู้ได้ รับรู้ได้ทางจิตก็พากันกลับมาทันทีเลยว่าเ อ, อตอนนี้จะไปพบพระพุทธเจ้ากันแล้วจงหมาที่นี่เลยเดินน่ได้นับหมายเนี่ยแล้วก็ทุกองค์ที่มาเป็นพระารามทั้งหมดแล้วก็เป็นพระารามที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดด้วยเอหีที่ขู่อุปสมบท า, าสมัยก่อนยังไม่มีูระิชาจารย์อะไรหรอกพระเจ้าบอกว่าเธอจนเป็นที่สุดมาเถิทำที่ไหนที่เราตัดได้ดีแล้วเธอจึงถ้าหากว่าคนเธอ เธอเป็นพิเป็นภิกษุมาเถิดทำดวิในเราได้กล่าวไว้ดีแล้วอันนี้นี่สาหรับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเหือชแล้วพรองค์ก็บอกว่าเนี่ยทํำวิเนยเรากล่าวไว้ดีแล้วทําไว้ดีแล้วเียก็พากันมาที่นี่ทุกองค์เป็นพระอราหันต์แล้วก็ทุกองค์ก็เลื่อนแล้วแต่ได้รับการเบวชจากพระพุทธเจ้าด้วยเองุีภิกขุเวสัศนาพอบอกว่าเธอเป็นเป็นภิกษุมาเถิดอาวุภาพก็เกิดขึ้นเป็นพระทันทีเลยบริบูรณ์สมบูรณ์ ถ้าเราเรามามาคิดดูว่าสมัยนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ในสมัยก่อนมันเป็นไปได้เพราะว่าในในเช่องที่จิตของคนเรามันมีคุณธรรมมันมีศีลมีธรรมเนี่ยสิ่งดีๆนี่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเหมือนจะมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจของศีลของธรรมของคุณงามความดีคุณธรรมภายในจิตใจของมนุษย์เรามันจะแตกต่างกันกับสมัยนี้สมัยนี้สิ่งดีๆในทางจิตใจจะเริ่มหายไป กินดีๆในธรรมชาติก็เริ่มหายไปมันก็จะมีสิ่งที่มันมันมันเป็นวิบากกรรมของเราในทางที่ไม่ดีมันก็ให้ผลมันก็ส่งผลมันก็มาในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากกว่าแล้วก็มันเป็นวันเพ็ญเดือนสามด้วยวันเป็นเดือนสามในความจริงในสมัยก่อนมันก็เป็นวันสําคัญของลัทธิพราหมณ์เหมือนกันนะเขาก็มีอะไรต่ออะไรพอพระมาพร้อมกันแล้วเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรม คำว่าโอวาทปาติโมกโอวาโอวาก็คือคําสั่งสอนเนี่ยปาติโมกเลยนะครับเป็นพื้นฐานเป็นบรรทัศฐานเป็นมาตรฐานเป็นคําสั่งสอนที่เป็นมาตรฐานเป็นบรรทัศฐานเป็นคําสอนเบื้องต้นแล้วก็เป็นบรรทัศฐานเขาคําสอนของพระโอหองก็เริ่มต้นด้ว่าคำตีบรลมังตะโปติปิข้าสมัยนั้นเราจะเห็นว่ามีการทรมานเต็นมาก มีการคนต่อสู้กับทุกขเวทนาทางกายไม่ยืีละกับห่างกายแ ล, แล้วในเมื่อมีหลางกายแล้วมันใช้หลางกายทาให้เกิดสิ่งไม่ดีทั้งหลายเกิดกิล เ, เลเสเกิดตำหนาทั้งหลายต้องทรมานร่างกายก็กเชื่ออย่างนั้นแต่พระพุทธจเจ้ามาเปลี่ยนว่าคำสีทรม า, านตะโปติติชาคำสีนี้เป็นตะบะหมายว่าคำตีนี้มันต้องเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงต้องมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตเอาไว้เวลากระทบอารมณ์เนี่ย มันจึงจะอดทนอดกลั้นได้ถ้าหาว่าเราขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยเราอดทนขนาดไหนมันเอาไม่อยู่มันกลั้นไม่อยู่เนี่ยอาจจะมาเคยพบพระองค์หนึ่งนะพระรู้ท่านเล่าสรวัตให้ท่านให้ของท่านให้ฟังบอกสมัยก่เนี่ยตอนที่ท่านเป็นโยมท่านโมโหร้ายมากเวลาโคชาเกิดขึ้นรุนแรงมากท่านบอกถ้าอะไรอยู่ใกล้หยิบเวยอะไรได้คว่างตาไปทันที้เลย ทำมีปืนก็ยิงได้ทันทีเลยท่านบอกเฉะนั้นโทรสะของท่านลุนแรงไม่สามารถยับยั้งได้แล้วก็มีเมื่อชีคนนึงอันนี้มาจากประเทศลาวเลยนะข้ามเมื่อน้ําโขงมาแล้วก็มาหาที่วัดอ่แะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าก็เป็นคนที่โทรศสะรุนแรงเหมือนกันเวลาที่โกรธขึ้นมาจะลุนเนื้อรุนตัวแล้วก็ออกใจทันทีทันใดเลยแต่หลังจากที่ท่านมาบวชได้สองรรษาไอ้พระเนี่ยมาบวชได้สองพรรษา ท่านก็ได้เจริญสติได้ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเรื่อก็ทั่งมีวันหนึ่งท่านก็กระทบอารมณ์อย่างรุนแรงสมัยก่อนท่านบอกว่าเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนื่องต้องทําอะไรลงไปแล้วแต่วันนั้นพอกระทบปั๊บโอ้โหตัวท่านสั่นในจิตวุ่ขึ้นมาเลยท่านว่าขณะนั้นสติของทําตามดึทันทีเลยเมื่อที่ฝึกฝนลงมาสองปีท่านบอกก็ได้เห็นผลว่าเออควบคุมจิต ยับยั้งจุดแต่ขณะนั้นตัวสั่มไปหมดเลยกำไม้กำมือแน่นเหนื่อยชกตัวเลยท่านบ้กแต่ทนไม่แสดงอะไรออกมาควบคุมเป็นที่เลยควบคุมร่างกายร่างกายนีสั่มเหนื่อออกมันเนี่ยเลือดฉีดขึ้นไปทั่วสารพรางร่างกายเลยมันมันแต่ว่าสติของท่านคมจุดเป็นที่สักพักหนึ่งท่านบอ มันก็ค่อยๆลดลงลดลงลดล ง, ลลงแล้วก็จางคลายตายจากวันนั้นมาท่านก็บวชเรืมอมาเพราะว่ามันทำให้ท่านดีขึ้นแล้วท่านสามารถยับยั้งจิตทําดังและไม่ชีก็เหมือนกันก็มาหาบอกี่ยเขามีความโกรธรุนแรงมากแล้วจะชนะความโกรธได้อย่างไรก็บอกว่าไม่ชีต้องปฏิบัติแล้วละ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องความโกรธอันที่จงเนี่ย คนที่จะละความโกรธได้สมิดจริงๆหมดจบไปจริงๆหมายถึงท่านนาคามี้หมายถึงสุนภาญาบุคคลขั้มที่สามแล้วการที่แม่คีเนี่ยอยากะละความโกรธอันนั้นน่ะมันก็เห็นทุกข์และเห็นโทษแล้วแต่ว่าทางที่จะละนั้นน่ะต้องพยายามมีสติแพรว่าความโกรธนี้มันเป็นอนิสัยอยู่ในขั้มทศนิยมที่ลึกละเอียดมากต้องจเจริญสติสมาธิปัญญ า, าเข้าไปอย่างเข้าไปเห็นภายใน ต่องไปเนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนต้องเข้าไปจึงอนัตตาของมันเนื่อทําของพระเจ้าเนี่พยพระเจ้าก็สอนบอกว่าเนี่ยต้องพยายามมีสติรักษาจิตไว้ขันติละมังกับโปติจิธาคํำว่าขันตินี่มันมีตั้งแต่ความอดทนหนาวอดทนร้อนอดทนหิจะหายในเรื่องต้นอดทนเหนื่อยยากลําบากทํามาชีพประกอบทำมาหากินเนี่ยจนกระทั่งอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบ เราอดทนต่อความอยากความต้องการภายในใจิตใจและเราอดทนสูงสุดเนี่ยอดทนเพื่อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงความจริงเดี๋ยวเพราะนั้นมันจึงเป็นตะบะเพาว่าตะบะในทีน่นี้หมายว่าอดทนเพื่อประทิปฏิบัติเพื่อให้จิตใจเข้าไปถึงความจริงและในสมัยนั้นเขาคิดว่าการที่เข้าคนเรา บูชาพรมบ้างอะไรบ้างเมื่อตายไปแล้วก็ไปอยู่กับพระพรมเขาถือว่าพรมนี่เป็นสูงสุดของขันเพราะนั้นจิตที่นิ่งสงบเนี่ยก็คือนําไปสู่ความไปถึงไปอยู่กับพระพรมของขันเนี่ยเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นตอนนั้พระพุทธเจ้าบอกว่านิตรบานังประรมัะว่าดันติบุท ธ, ธาผู้นี้ทั้งหลายหมายถทงเจ้าทั้งหลายเนี่ยกล่าวว่านิตรธรเนี่ยความหมดทุกความไม่มีทุก เป็นธรรมะที่สูงสุดเป็นธรรมะอันยอดเยี่ยมเป็นบรมธรรมแต่พระเจ้าก็คิดใหม่เปลียนใหม่หมายก็ว่าอันนี้เป็นการเรียกว่าสันฐานระหว่างข้อลหันด้วยกันนะหว่าเมื่อความเป็นอยู่อะไรก็วา่าให้มีสมัมนผะัสหน้ามีความหดเทนอดกั้นกันนะเนี่ยเพราะว่าทําอะไรได้มันมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยแต่ความหดกันเนี่ยมันก็คือเป็นตบ ะ, อ, ะอย่างยิ่งเพื่อจะให้เข้าถึงธรรม เาไปถึงความจิงสูงสุดแล้วก็นิพพานนี่แหละคือความไม่มีทุกข์ความเยียบเย็นอยู่ในจิตใจนี่แหละเป็นธรรมะอันสูงสุดแล้วก็สมัยนั้นก็มีนักบวชเยอะแยะมากมาอย่างที่เราเห็นเน่ยทํางมาอินเดียนะแต่คราวนี้ยังไม่เห็นพวกขี้เปื่อยมามาบางครั้งเห็นนะบางครั้งเห็นว่าเห็นพวกที่แต่งชุดลงมาจากเขาเยืกปุ่ก็เคยเห็นแต่งชุดเป็นโยคีเป็นอะไรมายืนอยู่แต่ก็เป็นแบบเดียวกันหมดก็คือว่า เมองซ้ายมองขวาหาลูปีอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบำเพ็ญตบะอย่างเก่าแล้วมันเหมือนกับว่าเติงตายแลย้วก็ยังอ่าต้มีความอยากมีความต้องการอะไรต่ออะไรอย่างนั้นน่ยทีนี้พระเจ้าก็บอกว่านักเบียดจริงๆเนี่ยนะฮิบัตพระคิดโตตรูพคาตีสัมมาโหติตรังรีเททยมโตผู้ที่เบียดเดียนสับอินอยู่ทำร้ายทําลายสับอินอยู่ไม่คิดว่าบรพฑิตเลย เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้สงบเลยเนะี่ยถ้าองคเอามาตรงนี้เลยหมายว่าต้องเกี่ยวกับกจิตใจต้องเป็นจิตใจที่มีงามมีเมตตาต่อกันนะ่ยไม่ใช่ประทุษร้ายการเบียเดเบียนกันทำร้ายทำลายกันจึงจะเป็นนักบวชทุ่ ก, ก็ตรง้ามาหาจิตอีกไม่ใช่รูปแบบแต่สมัยก่อนนี่ก็จะมีการเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะที่ว่าเวลาเวลาเขาเขาโกนผมอะเขาไม่ได้โกนนะเขาดึงขนหนาวทีละเส้นทีละเส้นนะแล้วที่เชนน่ะ หรือพวกอ่าที่คาพรพวกอะไรมือขาวห่มขาวอะไรบางประเทศอ่ะทุกเชินเนี่ยเขาจะถอนเส้นผมเอานี่ก็ยังมีการทรมานอย่างนั้นอยู่ก็อันนั้นก็เป็นนักบวชเนี่ยซึ่งึมีรูปแบบชื่นชมกันต่อความเพ่งครับเพราะพระเจ้าก็ประ ก, กาศว่าเออถ้าหาวะสมณะที่แท้จริงนั้นต้องเป็นที่สงบนะไม่ไปเบียดเดียนคนอื่นนะ ไม่ไปทาร้ายศัพท์อื่นนะต้งตองมีเมตตาต่อกันนะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบทที่หนึ่งมันมีสามบทบอ่ะแบทบที่หนึ่งเนี่ยคืออย่างเงี้มยมองว่ามีสัมปติ น, นะความอบอดตั้งนะเป็นตะบะอย่างยิ่งแล้วก็นิทานเนี่ยเป็นบรมสุขเป็นธรรมวันยอดเยี่ยมเป็นธรรมวันสูงที่สุดแล้วก็นักบวชก็หมายถึงว่าผู้ที่มีิใจส ง, สงบสงบหยั่งินเลยไม่เบียบเดเบียนคนอื่นไม่เบียบเดเบียนศัพท์อื่น อยางนั้นพระองค์ก็ประกาศคาสอนที่เป็นบรรทัศถามอันนี้เราจะได้ยินในฝั่งเพราะว่าชาติเทพเรามักจะเรื่องเป็นหัวใจของศาสนาของคําสอนของพ ร, ร, ระพุทธเจ้าสำมะปาภาษาการะนัง ก, กุจลรักขีตะจั้มปดาสจิตต์ ป, ปังเยดัปะนังเอตังปุถานะฆะนัง ไ, ง, ง, ง, งไม่ให้ทําบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงไม่ทําไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทํารักบิดให้ขาวรอบ เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คราวนี้ประกาศเลยว่าคําสอนของพระเจ้าทุกพระองค์ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแล้วมันสัมพันธ์กับธรรมะอริมได้อย่างไงอ่ะไม่ทําชั่วไม่ทําชั่วก็เป็นศูนยอย่างดีเลยนะประกาศเลยว่าไม่ต้องไม่ไม่ทำชั่วไม่ทําบาปคือเึงข้อปฏิบัติได้เลยอ่ะนี้มันก็แสดงว่าคําสอนอันนี้เป็นข้อปฏิบัติแล้วก็คู่เป็นบรรทัานให้มันเง่ายต่อการปฏิบัติไปที่ไหนก็เอไม่ทําบาปนะ สิ่งไม่ดีไม่ทํานะแล้วก็ให้ทําดีนะทําดีให้สิ่งพร้อมนะให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เพื่อเก้าไม้ก็คือสำลักจิก็คือเพื่อจิตของเราให้มันดีขึ้นมาให้มันขาวรอบขึ้นมาให้เป็นจิตที่มีเมอตาขึ้นามื่ีตาอุเบกขาขึ้นมาแล้วให้มีสติรักษาจิตเอาไว้ได้เพื่อที่จะให้มีปัญญาต่อไปแต่ว่าเขาสอน พูดมาถึงคำ ถ, ถามแต่นี้เพื่อให้ง่ายต่อการที่จ ะ, จะแสดงคําสอนกันเพื่อเวลาไปประกาศไปที่ไหนมันก็พอพูดได้อะว่าอาไม่ทําบาสนะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีนะความเชื่อไม่ทํานะให้ทนะําดีนะความเดียมความดีถึงพร้อมนะคือถ้าหาว่าคนเรา ย, ยังทําสิ่งไม่ดีอยู่เนี่ยทำดีขนาดไหนแต่มันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่จะปฏิบัติธรรมนี่มันยากมากจะมาชํำระจิตเพื่อขาวรอบมันชำระไม่ได้ เพรมันมีสู่เศร้าหมองขุนมัว อ, อยู่ในีจิตฉะนั้นพระรู้จับก็เลยตัดเลยไม่ทําบาปทั้งปวงความเชื่อไม่ให้ทำชำระจิตให้เขาหรอกยันเรามาเนี่ยเราก็นุ่งมาเห็นว่าเราก็สมรวมระวังพยายามไม่ทํำขั้วกันคือคูอตามปกติเราก็ไม่ทํากันอยู่แล้วมีความสมรวมระวังอยู่แล้วมันก็เป็นทิ้ง้งฐานที่ดีของจิตอยู่ตามดีในที่เห็นว่ามันควรจะทํา ทำแล้วไม่มีปัญหาตามมาทีหลังเราก็ทําได้ในความดีก็ต้องมีปัญญาด้วยเนะเรวอยากทําดีแต่ว่าโอ้โหอยากทําอยากทําแต่ถ้าทําไปแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาล่ะมันมีมันลุกลามบานปลายขึ้นมาล่อันนี้ก็แสดงว่ามันขาดปัญญาเหมือนกันมันจะมีจะจะทําจะทําแต่ว่าคิดไม่รอบคอบฉะารอบคอบขึ้นมามันต้องมีปัญญาเข้าไปยับยั้งเดี๋ยวบางคนจะว่าโอ้ก็อยากทําดีทําไมต้องมาห้ามไม่ทํามไม่ ไม่ให้กันทำความดีสนับสนุนใ้ทำดีทำดีมันต้องมีปัญญาด้วยเมตตาก็เหมือนกันเมตตานี้ต้องมีปัญญาขั้นบทประกอบด้วยถ้ามีเมตตาแต่ว่าเมื่อไปเมตตาไปช่วยเหลือกันแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาทาให้เกิดการผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาผิดต่อธรรมขึ้นมาต้องวางอุเบกขาแล้วนั่นะฉะนั้นธรรมะของวุฒยานั้นต้องมีอุเบกขารองรับด้วยเสมอการมอาก็เหมือนกันเห็นเขาแลขสงสาร ความสงสารมันยัหลั่งไหลขึ้นในจิตอ่ะอยากช่วยเหลือเขาเห็นเขาทุกข์ยากลําบากอยากช่วยเหลือเขาเนี่ยคือความสงสารขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้เราช่วยแล้วมันมันมีปัญหาขึ้นบาทิ้งหลังอ่ะมันก็มีตำยาขึ้นมาประกอบอ๋อมันต้องยับยั้งแล้วต้องมีเดชขาดึงเดชขาเข้ามาและเพราะอันนี้มันไม่ได้แล้วแสดงว่ากรรมของเขากรรมของเรามันมันมาบรรจบกันตรงนี้แล้วกรรมของเขามันติดตั้นแล้วถึงแม้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่ากรรมของเขาไม่สามารถ ให้คนอื่นช่วยเหลือได้นี้แหละเราจะได้เข้าใจเรื่องของกรรมลึกซึ้งมากเราจะได้เข้าใจลึกซึ้งเข้าไปถึงจิต ใ, ใจของเราว่าถึงแม้ว่าจะมีคนอยา ก, กช่วยก็ช่วยไม่ได้ถเพราะากรรมมันไม่ตกเรือนทั้งรายละเอียดในจิตด้วยเราจะอุทิศบุนขนาดไหนนะพวกไม่เงินพวกอะไรที่มันมันรับบุนเราไม่ได้เพราะกรรมมันติดกนันมสรับไม่ได้เลยข้งหลังเลยหนีเลยบางทีกลัวด้วยบางทีมาเป็นข้าศึกตรูกันด้วย ก็มาเคยจองเวรจองกรรมกันมาพอมาเจอหน้ากันอ้าวมีเจอแล้วเออคอยมาตั้งนานเดี๋ยวเกินหลายภพหลายชาติแล้วเพิ่งเจอวันนี้อนเองแล้วเอาซะหน่อยนั่เพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้อยู่ตลอดเราหนีไม่พ้นถึงแม้เราไม่หนีจะตามอ่ะถ้ามันมีมันก็ต้องมีสิมันก็ต้องพยายามที่จะทําให้เราเป็นมู่นเป็นนี่ได้เหมือนกันนี่คือในเวรของเรา เพราะฉะนั้นอันนอกที่เราก็คือทําถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆแล้วทําดีให้ถึงพรอ้อมแล้วต้องมาทําละจิตให้เขารอกละกิเจเนี่ยถ้ามันเขาหลอกมันสงบอย่างเดียวมีเมตาตาสรีมาอย่างเดียวมันไม่พอนะเพราะว่าอย่างที่ว่านะั่นหลายรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องให้ความหลงของเราเนี่ยมันลึกมากมันเป็นอานิสัยอานิสัยในยว่ามันอยู่ในจิต มันต้องละด้วยปัญญายามที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปข้างในงมันต้องผ่านกระบวนการของมรของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นทำว่าไม่ทำบากทาัท้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำละจิตในเขารอมันเป็นมรเป็นวิธีของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออยะมรเมืองแตดนั่นเองก็คือทางข้อปฏิบัติการปฏิบัติ เพื่อออกดักทุกแต่ว่าอันนี้ผู้เพื่อเป็นบรรทัพฐานให้ง่ายต่อการที่จะให ป, ประกาบธรรมหรือว่าอบรมสั่งสอนแต่เมื่อปฏิบัติแล้วถ้าจิตมันสงบแล้วเนี่ยถ้าจิตมันดีแล้วมันเป็นไปเพื่อความสงบสติรักษาใจใจพองสายสติรักษาใจยอดใจเป็นสมาธิจากนั้นมันก็เข้าสู่ทางเถื่อเนเยอะศักดิ์สิทแต่แล้วละเยอะศักดสิิ์เนี่ย เราเลือกมันเป็นทางที่จะออกอยากทุกจริงๆเลยมันจะต้องมีมารเเป็นพื้นฐานหลักเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระองค์จริงสอนว่าถ้าหาว่าไปทําบาปทําไม่ดีถ้าอย่างเราจะปฏิบัติทําอย่างนี้ถ้าไม่มีศีลอย่างนี้เราเราไม่คำนึงไม่ระวังอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องราวอยู่ในจิตใจของเรามันก็จะมากัน้นมาขวางทําให้ใจของเราไ ม, ไม่โปร่งไม่โน้มไม่สงบ ไม่เยือกเย็นไม่สบายสมาธิต้องเราก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดความจิตของเราก็ขัดข้องขึ้นมาสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่มีปัญญายามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางของพระเจ้าเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าไม่ทําบาปต้องประกาศได้เลยว่าใครจะเดินตามทางของมูะทธเจ้าสิ่งที่ไม่ดีไม่เอาแล้วด้วยเจตนาของเราจะไม่มีจะไม่ทํำก็อย่างนี้เลยนะ ถ้ามันเธอทำไปแล้วยอมรับได้บางทีเราคิดไม่ถี่ยอมรับได้จากพยายามแก้ไขต้องข้าต่อมาต้องยอมรับแล้วพยายามแก้ไขจากนั้นก็พยายามทําดีให้มากขึ้นเรื่อยๆพอทำความดีจิตใจจะเบิกบานมีความอาหารมีความมิ่งเลงบำเทิพเพราะนั้นใครทําดีมากเสี ย, ยสละได้มากเป็นกําลังความสามารถของตัวเองจิตใจก็มีกําลังลระดับหนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นสมาธิง่ายสติรักษาจิตได้ง่ายๆ จิตมันก็เริ่มได้รับการชำระตรัสสารอารมณ์ที่ไม่ดีค่อยๆดับไปคลายไปจนจิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรแล้วทีนี้จิตตั้งมั่นแล้วที่นี้พอตั้งมั่นแล้วอะไรเกิดขึ้นเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจนี่คือไปดูทุกแล้วทีน่นี้แต่แว่อะไรเกิดขึ้นเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาก็จะมาเห็นตรงนี้แหละมันต้องผ่านข้อปฏิบัติเหล่านี้มาซะก่อระล้วผ่านมระ คือวิธีของการปฏิบัติดางนั้นยังเข้าไปถึงความจริงอยู่ภายในคํามารู้มาเห็นก็เข้ามาสูอว่าทุกข์ให้กําหนดรู้อะไรเกิดขึ้นใหกําหนดรู้ให้กําหนดรู้แล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นสภาวะทุกข์ก็คือมีเหตุปัจจัยก่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้ก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสื่อนขึ้นสลายไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราเป็นอนจิจจทุกขังอนัตตาเป็นสภาวะที่บังคับบัญชาไม่ได้ เนืก็จะเข้าสชีวะธรรมคือเข้าไปหาความจริงสูงสุดเลยเพราะ่าความจริงเนี่ยมันจะอยู่ในจิตของทุกคนอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติเข้าไปถึงหรือยังหรือเข้าไปถึงแล้วถึงมากถึงน้อยแค่ไหนก็อยู่ในจิตของเราทั้งหมดเพราะเปข้อปฏิบัติของจิต ป, ปฏิบัติทางจิตเรื่องต้นก็ อ, า, อาจจะสําลวงกายว า, าจาเป็นตไม่ทําบาปทั้งปวงก็เหมือนอ่าเออไม่ทําบาป ตายก็ไม่ทำวาจา ก, ก็ไม่พูดจิตใจก็พยายามที่จะไม่นึกไม่คิดเนี่ยแต่ถ้าลึกละเอียดเข้าไปแล้วเนี่ยสตายิตั้นไว้เลยสังวเนี่ ย, ส, ยสังวรประทานเลยคอยระวังไม่ให้บาปเข้ามาเมื่ให้อุศนเข้ามาไม่ก็ตามเก่าก็ตามแล้วมันจะลึกเข้าไปหาจิตทำหน้าของมือเจ้ามันจะไปสัมพันธสกันหมด เพราะนั้นถ้าถูกทางปั๊กหนี่ยไม่ว่าจะพูดออกมาแนวไหนแบบไหนมันเข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันเป็นทางไปอันเดียวกันหมดเลยเพราะนั้นถ้ามีสติปั๊กหนี่ยมันจะกั้นจิตเอาไว้ทีนี้อกุศลมันจะเข้ามาเราก็จะเห็นมาเราปหารมันได้ไม่เอามาคิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไปกับมันเพราะนั้นมันจะต้องมีสติสำหรับญนะรู้เท่าทันจิตของเราด้วยมันจึงจะกั้นบาปและอกุศลเอาไว้ได้ ถึงเราจะเคยทำก็ตามไม่มันเข้ามากั้นไว้ได้เพียงแค่ว่าเรายอมรับแล้วเราจะไม่ทำอีกมันก็กั้นเอาไว้ได้แล้วถ้ามันเข้ามาแล้ว่ะต้องก็สอบเราให้ดูมันดูมันนี่เราคือปะหามมันปะหามมันไม่ใช่ว่าอย่าไปฆ่าไปอะไรมันหรอกให้มีสติดูมันเข้าไปพอดูมันหมายว่าเราไม่ไปเอามันเข้ามาแล้วเราไม่ไปดึนเรื่องเราทั้งหมดมาเข้ามาเป็นเรื่องของเราเป็นตัวเรา เราเลีงกับอยมาดูสเฉยๆเหมือนตอนนี้ถ้าเราดูอยู่เสวยเนี่ยอะไรผ่านมาก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมันท่อมเป็นความจริงเราเพียงแค่ว่าทําให้มันได้ไอ้ให้มันตรงกับหลักธรรมของขุนเจ้าตรงทางของของุนเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งสติเอ้าฉันจะดูแค่ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งใจดูเฉยถ้าอะไรผ่านเข้ามามันก็จะดับไปเอง เราไม่ต้องไปทอะไรมั่มีลมทหารทหารก็คือละออกไปละเหตุผลชุกสหารบาปสหารอากุศลไม่เข้ามาและทํากุศลให้มากขึ้นกุศลจริงจริงกลายเป็นว่าเจริญทางจิตใจแค่จิตใจรู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นเป็นกุศลที่สูงเป็นกุศลที่อยู่ภายในที่นึ่งถ้ากุศลธรรมดาก็คือทำความดีนึกถึงบุญกุศลทําทาน ให้ทานบ้างาทำบุญชุนทานอะไรไปเสด็จมนอะไรไปเนี่ยทำบุญทำกุศลทำกุญญามความดีอะไรต่างๆนำมาไปเรื่อยๆแต่เวลากุศลที่พระเจ้าสอนให้มันเจริญให้ยิ่งขึ้นให้มากขึ้นก็คือการกุศลทางจิตใจให้มันเจริญคือคุมมักในจิตใจของเราคือตัวสติตัวปัญญาภายในจิตของเราให้มันรู้ความจริง ก็มันจะละพวกความหลงผิดพวกอวิชชาและวมันมันล ะ, ลละกิเลสละตัณหาอุปาทานทั้งหมดออกไปจากจิตของเรามันกลายเป็นกุศลที่มันละเอียดเข้ามาหาจิตเราอันนี้ถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะอยู่กับว่าเออพอสอนให้ทําบุญทํากุศลก็ต้องนึกถึงเวลาทําบุญก็ต้องถือผลาน้อยถือสังฆทานถืออาหารถือป้าหอมถือ ถ้าไปจีวรเครื่องใช้ไม้สอยเอาไปถวายที่วัดวัดไหนขาแทนตายทอดแต่ถินทอดท่าป่าเนี้ยมันก็จะไประดับนั้ำอะไอันนี้เป็นระดับเบื้องต้นแต่ถ้ากุศลจริงๆแล้วระดับภายในก็คือสติควบคุมจิตเอาไว้ให้จิตเนี่ยมันมันมั่นคงซะ ก, ก่อนมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอมันเป็นหนึ่งแล้วก็รู้ความจริงมากขึ้ น, นเรื่อยๆ ว่าเออจิตในแต่ร่างกายเราเป็นแค่ที่อาศัยอยู่เนี่ยมีถ้าใครเข้ามาเห็นนถ้าจิตมันมันเริ่มเป็นสมาธิมันก็เริ่มแย่ต่อมาแล้วจิตเนี่ยแต่จิตเป็นจิตนะกายเป็นกายนะร่างกายแค่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะเนี่ยกุสอกลับเป็นพวกนี้นะทีนี้กลับการเป็นการรู้ความจริงเข้ามาแล้วคือทำไมรู้ความจริงมันจะเป็นรุ่มหลงใจกายเป็นอกุศลนี่ตายกายเป็นความไม่รู้เนี่ยถ้ารู้ความจริงกลับกายเป็นกุศลขึ้นมาแล้ว เป็นความเฉลียวฉลาดของจิตละเตียมเพื่จะเป็นโลกุตระกุศม์นะเพื่อเป็นกุศลเป็นความเฉลียวฉลาดเพื่อออกจากโลกเพื่ออยู่เหนือนโลกเพื่อจิตของเราไม่มีทุกข์ไม่ติดไม่คล้องอยู่กับอารมณ์ภายนอ ก, อกอมีคําคสอนคำวิญญามันเพื่อยกจิตของเราให้สูงส่งขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาดีงามขึ้นมามันดีงามชนิดที่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผลัน ค ด, ดีงอมดันระบบชินธรรมอะไรทำบุญชุนทานอะไรไปเอาผาไปไ ป, ไปสาวายบ้างทอดกระินทอดปลาปลาไปแล้วไปเจอวัดที่มันโอ้โหข้อวัดปฏิบัติอะไรขออ้อมีห้อง น, น้าม้วนเช่มสกปรกไปหมดโอ้โหจิตตกเลยเ น, นี่ยเนี่ยมันมันมันไม่เข้าถึงจิตเห็นพระ ก, ก็ไม่สํารวมไม่เล่าวังหรือบางทีผู้จ้างก็คนที่ไปไดยกันก็เออมาเถีไม่สงบไม่ชํารวม โกเทืองกันบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเปลือกนอกไปเสียเนี่ยแต่ก็ถ้าว่าใครเข้าใจมันก็เป็นบุญเป็นประโยชน์แม่หนึ่งเพื่อความวิจิตของเรามีทุนถามที่ดีงามแต่จริงๆแล้วกุศลมันจริงๆต้องมีมีสติเขวาารักษาจิตของตัวเองเอาไว้อะไรเกิดขึ้นให้รู้มันก็มีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งสัญญาแล้วมันก็มีเมตต า, า, ามีกรุณามุทิตายมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ พอมันเข้าใจเห็นจิตตัวเองก็เข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองเขา้เเขาใจคนอื่นการมาเกี่ยวข้องกันมันจะค่อยรู้ขึ้นมาเองเนี่ยขอเราอย่างนี้เราไม่เราไม่อยากเราไม่อยากให้คนอื่นเขาทําเนะเนี่ยฉะนั้นเราก็จะไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะถ้าคนอื่นเขาไม่ทําเราเราเดือดร้อนอะ่ะเราก็เห็นแลามันทุกข์อยู่ในจิตอ่ะถ้าเราไปทําเขามันก็ไปทําให้จิตเขาเป็นทุกข์มไม่อยากทําเลยทีนี้ที่มัเกิดขึ้นในจิตเลยมันเรื่องตัวกรรมมาก พรมันเห็นในจุดของเราไอ้ที่เขาทำร้ายทํำลายศัพท์เนี่ยมันเอาไม่ลงทําไม่ลงเนี่ยก็แค่คิดเนี่เราก็เจ็บปวดแล้วเนี่อยจะไปฆ่าเขาได้ยังไงไปทําร้ายเขาได้ยังไงอ่ะเราก็ไม่อยากใครมาทำร้ายไม่อยากใครมาเบียดเบียนเรามันเห็นในจิตมันรู้ในจิตเนี่ยพราะมันจึงเป็นกุศลที่สูงขึ้นมาแล้วมันอยู่ในจิตเลยเห็นอยู่ในจิตรู้อยู่ในจิตเนี่ยแต่เพราะฉะนั้นคําว่ากุศลเนี่ยมันจริงเป็นโลกุตระกุศลขึ้นมาเลยเรยกเป็นแมว เมวโลกุตลกุศลมันี่ยมันก็มาที่จิตของเราเนี่ยมีสติเข้าไปยั่งเข้าไปถึงจิตของตัวเองควบคุมจิตได้สังวรระวังทาง่านบอกว่าสังวรับประทานเอากั้นไว้บาปอากุศลไม่เข้ามาแต่ก่อนเนี่ยเป็นว่าเออละบาปละกุศลเบยองต้นแต่พอศึกษาพอมาถึงจิตก็นี่มั น, ม, นมันมากั้นเอาไว้ตั้งแต่อยู่ในจิตของเราแล้วเนี่ยมันเข้ามาแล้วมีสติดูมันเหย็นส็ดักไปเห็นอีกแล้วว่าตะหามมันตะหามาประทานเนี่ย แล้วก็ภาวาประทานทําให้มันยิ่งขึ้นไปกุศลมีทางเลเจริญขึ้นมีสติจเจริญขึ้นเมื่อสติจเจริญขึ้นก็มีสมาธิสมาธิใจตั้งมัน่นก็มีปัญญายามรู้ความจริงมากขึ้นจิต ก, ก็เริ่มปล่อยวางทําให้มันยิ่งขึ้นท่านว่าจนมันไัยบูนไัยบูนก็คือบรรลุมผลบรรลุผลขึ้นมานี้มันก็เข้าทางอริยสัจสหมดอ่ะก็คือทุกข์ให้กําหนดรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะละของมันเองเนี่ยประหาร ของมันีมันจะไล่เหตุเหตุทุกข้อมันเองเพวันนั้นพรมุภัยให้และเมื่อล่แล้วทุกไม่มีในจิตมันก็เป็นมิโลดทําให้แจ้งให้มันแจ้งให้มันทับขึ้นในจิตของเรานักก็คือจเจริญให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปฏิบัตินี่แหละข้อปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติเนี่ยมันจะสามารถมาประสานกันไปด้วยกันได้ทั้งหมด ก็คือเข้ามาที่อริยสัจสีนี่แหละเราก็จะสามารถที่จะพอประมวลได้ว่าเออข้อทำสอนตรงนี้เนี่ยมันเป็นมั้งแต่ว่าถ้าว่าจะเริยนต่อไปทําต่อไปมันก็ไปสู่อริยสัจสีเหมือนกันก็คือว่าเป็นทุกข์เห็นทุกข์แยกชัดในทุกข์แล้วแต่ละสมุทัยแล้วกะดับทุกข์ภายในใจิตใจเป็นนิโลดขึ้นมาในจิตใจของแต่ละคน เพราะฉะนั้นจะสรุปว่าตรงนี้เป็นหัวใจของพระพุทธกศาสนาหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ใช่แต่พระเจ้าไม่ได้บอกเป็นหัวใจหรอกพระเจ้าบอกแค่ว่านี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะนันการที่เราได้ยินในฟังธรรมะของพระเจ้าในวันนี้ก็แสดงว่าเราได้ยินคําสอนของพระุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ต้องสงสัยเลยและถ้าเราปฏิบัติก็แสดงว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ไม่ต้องรอเราพบองค์นั้นพบองค์นี้แหละที่เอาคําสอนของพระเจ้าองค์นี้แหละแล้วก็ปฏิบัติต่อไปให้มั่งมากขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นจะพบอง์ไหนก็ตามก็ต้องสอนเหมือนกันหมดอะ่ะเพราะอันนี้เป็นคําสอนของพระเจ้าทุกพระองค์หลังจากที่พระพุทธเจ้าพูดธรรมะตอนที่สองเรียบร้อยแล้วบทที่สองเรียบร้อยแล้วถึงความเป็นอยู่พระพุทธเจ้าก็พูด เรื่องความเป็นอยู่อันนี้เป็นหลักคําสอนทั่ ว, วไปเราต้อสอนแบบนี้นะทั่วไปเลอก็เรื่องความเป็นอยู่เนื่องจากไปเผยแพร่มันก็ตกระทกะทั่งมากอย่ามีตัวว่าโทนิยคาโตไม่ให้กล่าวร้ายไม่ทําร้ายไม่ไม่ไปทำร้ายใครนะแล้วก็เผยแพร่ของเราไปอ่ะในสมัยก่อนจะเห็นว่าไม่ประวัตินะเนะ เวลาพระพิฆเนศก็ตามเรือสาวก็ตามเวลาไปบินทบาทต่วไปตึเช้าอ่ะไปถึงบ้านเขาแนละ้วก็โอ้ยังไม่ถึงบ้านเอาตัวไปแลโอ้มันยังเช้าอยู่เลยอะ่ะเขายังไม่ตื่นนอนเลยตื่นนอนเขาก็กำลังทาอาหารอยู่เอาเพราะนั้นเราไปพบลักบวชลักขีนนั่นสกกันเนี่ยไปฉันทนาธรรมกันเนี่ยความคิดแตกต่างกันได้นะถกเถียงกันได้แตเพื่อที่จะให้มีเหตุมีผลขึ้นเนาะแต่สมัยก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนกัน บางทีเขาก็หันมาขอรบนะถืคําสอนของพระพุทธเจ้าดังทีเขามีความเต้แย้งเขาก็มีข้อถกเถียงเขาก็ถกเถียงไปบางทีก็มีประกาศเป็นเรียกว่าขอเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชีพทุกขขอบวชไปก็มีมันก็จะมีอย่างนี้คนเล่นในวินเดียเนอร์รู้สึกว่ามันกว้างขวางมันจะความคิดเห็นแตกต่างกันแต่เขาอยู่ร่วมกันได้ เพราะมันมีมาตั้งแต่อดีตเป็นแบบนี้เพราะนั้นจึงท่าเจ้าจึงให้ไม่ให้ไปกล่าวร้ายไม่ให้ไปทําร้า ย, ายอ น, นุประวาติโออ น, นุประคาโต ป, ปาปิโม่เพื่อจังหวะโลก็คือให้สัมมนในปาติโม่สัมมนในปาติโม่เนี่หมายว่าปาติโม่เนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานเนี่ยปาปิโมกของท่าก็คือว่าก็คือบทสวดในปาติโม่เรียกว่าศีลสองร่สเจ ปาปิโมกของโยมในประมาอย่างน้อยบรรพฐานก็คือสินห้าสิปดอะไรอย่างเงี้ยแต่สา ม, มเณรจะสินสิบไปเดี๋ยวนี้นว่าเป็นปาปิโมกของตามลำดับชั้นลำดับกลุ่มหรือลำฐานะความเป็นอยู่ถ้าหากว่าเราเป็นโยมจะไปเอาสองมันก็เกินฐานะของเรามันก็อยู่ลําบากอะ่ะมันก็ทําไม่ได้มันในคนเขาไม่ยอมรับกันจะอยู่ในชั้นมก็อยู่ไม่ได้ ในสมัยก่อนนะมีเหมือนกันหลักที่มีโยมเขาเป็นเมคซีมาแล้วเขาก็จะไปบวชเป็นทิกซุนีเขาขอมาอยู่ด้วยจะมีศีล1า้อบเอดข้อเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าโอ๊ยเมคอเทร ว, วาสเน่ยมันไม่มีมันไม่มีทิกษุนีที่จะบวชให้หลอกจะไปบวชที่ไหนไปบวชประเทศไต้หวันประเทศดังกุฎประเทศศรีลังกาประเทศที่เดต มันก็เป็นมหายานมันไม่ใช่เถร ว, วาดของเราเถร ว, วาดของเราเอาตามพระไตรปิฎกในเมื่อในเมื่อพราไตรปิบกนี้การบวชของทิชุนีมันจะต้องเป็นสงฆ์สองสายคือบว่จากทิชุนีก่อนแล้วก็ต้องมาบวชกับฝ่ายชระมันจึงจะเป็นทิชุนีได้แต่ทีชนี้ทิชุนีของเรามันไม่มีแล้วใครจะบวชให้ล่ะก็เป็นอันว่ามันตกไปตามพุทธบญรรติในพระไตรปิฎกก็บว่ไม่ได้ ถ้าจะมาอยูกับเราก็ขอเป็นเมคซีกันแล้วกันเอาละดัแแบแปดเหมือนเมคีทั่วไปเพราะว่าในสมัยที่โสนน่าองตลาดที่เข้าไปในประเทศไทยเข้าไปแล้วก็ไม่มีฮิกซินีตามไปด้วยวก็ยลองให้บวชซีดูปฏิบัติกันก็บรรลุธรรมได้บรรลุก็ละหามได้ก็่ยังก็่ะเมืองไทยก็เอาระดับนี้ได้มันจะได้ไม่เป็นตาหไม่เป็นแต่ละต่อความเป็นอยู่ต่อการดําเนินชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันมี ปาปิโม่เท่จะสังวโรโอ้สำรวมในพระปาติโม่ก็คือสำรวมในข้อปฏิบัติของตัวเองถ้าเป็นพระก็ส27ถึงแม้ว่าบางข้อมันไม่มีแล้วแต่ว่าเรามันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปลบล้างหรือทิ้งไปเอายังอยู่ก็ไม่มีอะไรเสียหายก็ส่วนใหญ่ก็เลยยังยังต่อเป็น2 2งข้อเหมือนเดิมนักปัญญาจะทับปัตนิโดยครานี้พระเจ้าก็ให้ ถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยเครื่องอาหารนี่มีสิ่งสําคัญมากอ่ะจุดว่าเราก็เหมือนกันถ้าวันไหนนําบริโภคคนมากอ่ะมันจะอึดอัดมันจะหนุสิ่ไม่สบายอ่ะที่เรามาอย่างนี้นะเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะมันจะอืดร่างกายของเรามันไม่ได้รับการบริหารไม่ได้ออกกําลังกายเส้นสายมันยึดยาเช่วนต่างๆของร่างกายทํางอมก็ไม่ใช่เสบียกไม่ค่อยคล่องแคล่วว่องไว ถ้าวันไหนเราได้ออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายอะไรเนี่ยเรีอบลงยืดสะดวกขึ้นมาเนี่ยภาพขันมันเหมือนกับมันมันปับตัวขึ้นมาได้มันได้รัการบริหารได้รการดูแลอาหารอะไรถูกถูกสลายเอาไปทําประโยชน์อย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าการระบบการขับถ่ายอะไรก็ดีร่างกายก็รู้สึกกระชับเฉงขึ้นมากับพี่กระเป๋าขึ้นมาเพราะการที่เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ย มันเป็นส่วนสําคัญเพราะมันเป็นส่วนที่ทําให้เราเกิดความอยากได้ง่ายมันทําให้เราควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เรามักจะตามใจความอยากตรงนี้มันทําให้เราควบคุมตัวอื่นได้ไม่ดีด้วยคือถ้าเราปล่อยตรงนี้ต้องอื่นเราก็จะปล่อยด้วยแต่ถ้าเราคำนวณตรงนี้ดีมันอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยมันมาแล้วเอาเราจะได้ประโยชน์จากมันหรือวเสียประโยชน์จากมันเดียวว่าเอากันเลยถ้าว่าเราชนะมันได้เนี่ยเราได้ประโยชน์จากมันเลยเอาจาก ให้มันพอดีเอาไว้ตั้งใจเลยสัมรวมเอาไว้ละมั่นระวังไม่ใช่ว่าจะไปเอาให้มันน้อยมันหิวมันโหยไม่ใช่จะเอาให้มันพอดีละมั่นระวังเต็มที่เลยมันจะอยากต้องการขนาดไหนรู้ว่ามันเกินและหยุดโอจะเบาที่สุดเลยนะสบายที่สุดเลยแล้วเราก็จะรู้จากวิธีสัมรวมเครื่องใช้ไม้สอยอรือดินด้วยมันจะสามารถที่ขยายตัวออกไปถึงการเกี่ยวข้องอะไรต่างๆด้วย รวมทั้งการรู้สึกเครื่องใช้ไม้สอยอะไรมันจะสําบูรณ์ระวังไปหมดจากนั้นจิตเราจะรู้สึกว่าเออชีวิตของเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกมันก็แค่พอมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าไอ้การที่จิตใจงเรามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ยมันเุกนจิตที่มีกำลังความทุกข์เข้ามาได้ไม่มากเข้ามาได้น้อยลงน้อยลงเนีย่น ย, ย, ยเราก็มีความสุขความสบายอยู่ตรงนี้กับการเห็นว่าเรื่องทางจิตสําคัญกว่าเรื่องทางกายแล้วทีนี้ เรืการบริโภคข้าวปลาอาหารมันก็นแค่มีชีวิตอยู่อิ่น้ําำํามไปแต่เรื่องร่างกายเท่านั้นเองแต่ถ้ามันมาทําบันทอนทําให้จิตใจเราอ่อนแอเป็นข้าของความอยากความต้องการเนี่ยเราจะไม่ค่อยสบายแต่ถ้าหาว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขความสบายขึ้นภาในใจิตใจแตะอันนี้พระเจ้าก็สอนด้วยคำพักปันยุตาจะบพักปัตตินมาปันยุตาจะบพักปัตติน ตั้ตั้จักรยนาสิงห์ที่นี้ความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่เนี่ยมันจําเป็นต้องหลีกเล้น่ะจะไปคุกคีตีมงกุกันโอยู่โวมันก็มีเรื่องอืน่นมา ก, ม า, กมายลเลยเนกะิดบางทีก็ไล่สาระก็มีมันก็ไปเสียเวลาอยู่กับเรื่องไล้สาระเพราะต้องให้รู้จักหลีกเล้นรู้จักหลีกตัวหาที่สงบสงบตั้ตัตจาา้จักรยนาสิงให้รู้จักหลีกเล้นหาที่สงบเงียบ เพื่ที่จะมันอยู่กับตัวเองอ่ะถ้าอยู่กับตัวเองมันจะรู้สึกสุขสบายแล้วยิ่งอยู่กับจิตของเราเนี่ยจิตของเราเยกหัว ข, ข้อธรรมขึ้นอ่ะมันก็เบิกบานใจอมันเห็นความจริงภายในจิตของเรามันก็เข้าใจความเข้าใจธรรมชาติแวดล้อมมากขึ้นด้วยถ้าจิตของใครมันมันมันมันลึกซึ้งเข้ามาข้างในลึกซึ้ง ในธรรมชาติของตัวเองกายกับใจเมมันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งมันก็จะเข้าใจธรรมชาติภายนอกด้วยเพราะการที่รู้จักอยู่ในที่สงบสงกรู้จักลีกเล้นมีวิเวกอยู่กับตัวเองตามลาพังในมากๆมันก็ทำให้จิตใจของเรามันมีความลุกซึงมันมีความเจริญก้าวหน้า แล้วตามที่เรามาเกี่ยวข้องชุ่งกันแรงกรรมมันก็มีความสำรวมระวังดีขึ้นแล้วมันก็มีประโยชน์ชุ่งกันแรงกรรมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะต่างคนต่างสงบต่างคนต่างสำรวมระวังแต่ถ้าหาว่าใจมันมันมนีความสงบไม่มีความสำรวมระวังมันกระทบกันง่ายแล้วมีความรุ่มร้อนในง่ายมันมีตัญหาในง่ายมาก จิตมีความสงบเรามันไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยมไม่อยากเดือดร้อนมีอะไรก็หลบหลีกไปแก้ไขตัวเองไปก่อนไม่มีปัญหาดีที่สุดมีถ้าสติปัญญามันมากขึ้นก็เอทอทายัางไงมันไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจเลยอะอันไหนมันจะพอเป็นทางออกได้ก็หาทางออกกันจะให้เรียบร้อยเรื่องก็จบไปมันก็งา่ายเพราะพระพเจ้าองสอนให้รู้จักอยู่ในที่สงบสงบ อยู่ในที่หลีกเล่นอ่ะปันปันจะเสนนาเสน่หแล้วก็อาทิตย์จิตเตะอาโยโคทําจิตให้ยิ่งทําจิตให้ยิ่งก็คือมีสติรักษาจิตไว้ให้จิตเป็นสมาธิให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อเมื่อจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเห็นความจริงนี่มันจึงเปจิตให้ทําจิตให้ยิ่งทําจิตให้ยิ่งแล้วเพื่อเพื่อเป็นบาปฐานของปัญญาพอจิตมันยิ่งหมายว่ามันสงบสงบอยู่ภายใน มันมีปัญญาเห็นความจริงก็เห็นก่ขอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้มันก็จางคายไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆจางคายไปเรื่อยๆเอตังคุธานาศะกันงอันนี้ก็เป็นคําสอนของภูษิ้าเหมือนกันเป็นคําสอนของพระพุกพระองค์เหมือนกัน น, น, เออเ น, น, นี่นี่แหละเรามาที่นี่มันจึงเป็นมาลัคงโอวาตปาติโมก ก็คือธรรมะของพระเจ้าซึ่งเป็นบรรทัดฐานของธรรมะทั้งหมดเหมือนกันก็มีความสําคัญแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นพะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราถือว่าเราเสียสละเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเรามานั่งใต้ป้นไม้ก็ธรรมดามีนกมีอะไรเอา้ามีอะไรหล่น ม, มาบ้างเอาช่างมันเถอะเราตั้งใจเลยดีแล้วเราจะได้พิจาราให้เห็นว่าอพวกนี้ เป็นเรื่องร่างกายอันหนึ่งร่างกายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับขึ้นองกับร่างกายเราลองทําใจเราให้มารับรู้รับรู้ว่าเออมั น, นเป็นเรื่องร่างกายนะเป็นเรื่องภายนอกนะเราจะไม่ให้มันมีผลต่อจิตของเราถ้าจิตของเราทําท่าจะขยับไปขึ้นมาเราก็รู้ว่าจิตของเราไปเกี่ยวข้องหลัวแต่ที่นั่นมันเกิดธรรมดาเรามานั่งใจบนไม้ ในต้นไม้ี่ิวแรงบ้างมีผลไม้บางชนิดไอ้นกมันมากินมาอะไรแล้วมันก็หล่นลงมาเมือนเรามันก็มาโดนเราเข้าแต่มันมาเดินนี่มันเดินร่างกายเรานาะไอจิตของเราเนี่ยมันก็เกิดความติดขึ้นมาว่าสัตว์อันนี้มันเสืออะไรนะมันจะมากัดเราหรือเปล่านะอ่ามันจะมาใช้เข้าไปที่ผมที่หือเราที่ตัวเราเอ้มันจะกลับตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่านะแล้วถ้ามันมีความหวั่นไหวขึ้นในจิตเนี่ย ถ้าเราอยากฝึกจิตเราเราก็ดูเลยนี่แหละที่แรกมันเกิดจากร่างกายไม่ใช่จิตจิตเป็นนามธรรมาจิตเป็นธาตุรู้ความรู้มันต้องเข้าไปถึงจิตเพราะจิตเป็นธาตุรู้กายมันรู้ไม่ไดกายก็อยู่เฉยๆอะไรตกลงมาใส่ก็เฉยๆมันเฉยๆแต่ตัวจิตเราเนี่ยมันเป็นยึดกับร่างกายของเรามันก็ว่าเออมาแรงก็มาตายมาตอมนะเนี่ยอะไรก็ตกลงมาใส่หัวบ้างใส่ตัวเราบ้าง ตรงนั้นตรงนี้บ้างในตัวเราก็มีตรงนั้นตรงนี้มาไตา่มาตอมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันจะสกตกกบลกไหมมันจะคันไหมมันจะเป็นนุ่มเป็นนี่ไหมมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมตัวจิตทั้งนั้นเลยร่างกายก็เฉยเลยถ้าเราสรมดวลจิต ด, ดีๆเนี่ยจิตเราจะนิ่งจิตเรานุ่งคือจิตเราสงก นิ่งทั้งนั้่ที้ยังมีอะไรเกิดขึ้นอยู่นี่คือจิตตั้งมัน่นจิตไม่ส่งสายออกไปไม่ส่งกระแสออกไปรับอยู่เฉยเลยนี่เรียกว่าเข้ามาหาจิตนลยจิตนิ่งจิตยี่ก็คือไม่มีไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ข้างนอกอะไรจะเกิดก็เกิดเราเป็นผู้ดูเฉยๆขึ้นเราตั้งใจดูตั้งสติขึ้นมา ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยมันหวันไหวไปกับเรื่องภายนอกมีเราต้องเข้าบมหาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราตการที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นธรรมะขึ้นมาทําให้เราได้ได้บทเรียนได้ของจริงเลยเรียนรู้ของจริงธรรมะจริงๆเิลวเรามีร่างกายก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบทางกายแล้วมีจิตใจกระทบแล้วมันต้อง กระทบเข้าไปหาจิตใจเราซึมซับเข้าไปยังจิตใจของเราถ้าจิตของเรามีสติควบคุมอยู่มีสัมปัชฌญยะควบคุมอยู่จิตก็เป็นจิตมีเดียวว่ามันตั้งมันอะไรเกิดขึ้นไม่มีผลต่อจิตไม่มีอิทธิพลต่อจิตไม่สามารถดึงดูดจิตของเราให้ซักสายออกไปได้ไม่ทําให้จิตเราวิตกกังวลหวั่นไหวออกไปได้จิตของเราก็มีความมั่นคงขึ้นนี่เดียวว่าจิตมีตกำลังสติทละเกิดขึ้น เรามีสติก็เป็นกําลังของจิตสมาธิก็เป็นสมาธิพละมีกําลังตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาเราเป็นยาพละรู้ร่างกายอยู่ของมันไม่ใช่ของเราอะไรเกิดขึ้นก็เกิดกับร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตจิตรับรู้เฉยๆมันจะเป็นยังไงก็ตามถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราค่อยว่ากันทีหลังมันก็มีปัญญามาควบคุมจิตตัวเองทางนี้ทางนั้นก็ข้ออาศัยความพยายามของเราอดคนอดกั้นมีสติ พยายามจเจริญสติไม่ใช่ความเพียรภายในจิตก็คื อ, อเราได้มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะมันเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าศรัทธาก็เป็นสรัทธาพละประหารความไม่เชื่อเพราะมันเห็นอยู่ในจิตแล้วว่าเออมันเป็นจริงนะถ้าเราทําตามที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยจิตเราสบายจรงิงไม่หวันว่นไหวจริงแน่ๆอยู่ภายในจรงิงรับรู้ของจริงได้ว่ามันไม่มีตัวเราจริงๆเราอยู่เฉยๆเฉย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอะไรจะเกิดก็เกิดเหมือนไม่มีตัวเราอ่ะ มีเหมือนไม่มีหมายว่าเรายอมรับได้เรายอมรับความจริงได้ถึงเวลามันจะเป็นยังไงก็ใช่นี่คือเราปล่อยวางได้มันก็เลยเหมือนไม่มีตัวตนในขถันนั้นแ่ะแต่ก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีทำให้เราเป็นทุกข์ได้ระวังอุเบกขาได้ระวังเฉยได้ระวงัะวงเป็นกลางได้มันจึงมีเหมือนไม่มีไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยนะมันมีอยู่ แต่เราก็มีความรู้ขึ้นมาว่ามีแค่เราบังคับบัญชามันไม่ได้เหมือนไม่ใช่ของเราเมือมันเป็นกลางกลางเหมือนเป็นของกลางเหมือนเป็นธรรมชาติเพราะน้ิ่งที่เหนือสูงที่สุดก็คือธรรมชาติเรายอมรับความจริงว่ากายจใจก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองมันก็มีเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิด ข, ขึ้นแล้ว เราก็เอาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาเป็นข้อปฏิบัติของเราเมื่อจิตของเรามันวางเฉยได้มันก็มีกำลังของจิตใจขึ้นมามีกาลังของธรรมะตะมวันก็มาเป็นกำลังของธรรมะก็คือรู้ความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตวนน์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเอง ในขณะนั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้นี่คือกแสของสีเป็นอย่างนี้เองเพราะเคยมีอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอย่างนี้แหละถึงเราไม่เข้าใจเป็นยุทธะตามนะแต่จริงๆมันก็คือเป็นอย่างนั้นแหละพ่ามาอยู่ตรงนี้เนะนาะขณะนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะพอเราลุกไปมันก็จะมีเหตุการณ์ใหม่เข้ามานะกระทบทาตาหูจมูกนิ้วกายใจเราอยู่ต่อไปนะ มันไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือวัตถาสงสารเหมือนกันเอาต่อไปจะให้เราดูไปตามลำพังกันเราต้องสติดีๆนะพยายามไล่นิวรนออกไปแก้ไขซะก่อนนะคือนิวรนนี่ต้องอแก้ไขซะก่อนเราทำให้มันตื่นขึ้นมาซะก่อนถ้าว่าปิเพราะเราไปจมอยู่กับ น, นิวรนแล้วไม่ได้ต้องให้มันลอยออมาซะก่อนลอยมาดูให้ได้ซะก่อน เมื่อทับทอยมาดูแล้วก็เราเป็นผู้ดูแลเราตื่นละพอเราปื่นแล้วเราข้ามไปได้แล้วมัทิ้งจะชัดเจนเลยเปลี่ยนตัวนะดีเพื่เป็นโอกาสสุดท้ายนะเรามาพอสมควรแล้วทีนี้เราปฏิบัติ บ, บูชาพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะเอาร่างกายเราเอาชีวิตเราเอาจิตใจของเราทั้งหมดมาปฏิบัติตามโอวาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าประมวลเข้ามาธรรมะของพระพเจ้าทั้งหมด เราได้พยายามปฏิบัติตามทำตามสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงบาปทั้งปวงไม่เอาเคยทำมาแล้วก็ไม่เข้ามาสิเรียกว่าอาหารละออกตายป้องกันไม่ให้เข้ามาป้องกันสติ ก, กันไว้ได้มันมาแล้วดูมันเนี้ยก็ดับไปได้จิตของเราก็ตั้งมั่นขึ้นมา เอาเนี้อะไรจะผ่านมาก็เห็นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีศัตว์อยู่บนตัวตนเราเขาละเป็นแค่กระแสงความเกิดดับเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นธรรมะทั้งหมดก็จะประมวลเข้ามาอยู่ที่จิตใจของเราค่อยๆแจ้งขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆวันนี้ได้ระดับหนึ่งต่อไปมันจะค่อยๆข ย, ยายเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้เรามายังสถานที่นี้ ว่าเป็นเป็นที่ที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการอุทิศบุญเนีย่ยทื่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนะี่ยอัญเชิญพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกทั้งหมดเลยไปรับพระตาหารที่พระลักษณ์ว่างที่กรุงราชคือพอไปแล้วก็ปรากฏว่าสมบยประกายยานายอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาพอกลับมาแล้วตอนตลางคืนในวันนั้นนะวันที่พระเจ้าพิมพิสารเนะี่ยผวาย ทานแล้ะถวายทายาทานทั้งข้าวปลาอาหารทั้งเครื่องทายาทานอะไรทีนี้พระก็กลับมาที่วัดนี้หมดแล้วพเพราะพรเจ้าด้วยแต่ว่าพอตกกลางคืนแล้วมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอุอกทึกทุกข์ข่น่ากลัวมากพระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หลับทั้งคืนกลัวแต่ว่าตอนนั้นเป็นลโสดาบันแล้วจิตใจก็ยังกลัวอยู่หวั่นไหวอยู่ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นทําไมทําถวายพระทาหารวันนี้ทําบุญวันนี้ทั้งพระพุทธเจ้าก็เป็นบัตรฐานพระก็หมดวัดแล้วทําไมจึงเกิดเหตุการณ์น่ากลัวอย่างนี้ไม่เข้าใจเกิ ด, ดความหวันว่นไหวเกิดความกลัวกังวลขึ้นมาต้องสเสด็จจากพระราชวางังจากกรุงราชคือมาแต่เช้าเลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างวัดนี้อย่างที่นี่บอกว่าข้าพระองค์่ะ ถวายพระตาหารทยทานอะไรเมื่อวานนี้แล้วทาไมกลางคืนจึงมีเสียงดังสนั่นวนไว้น่ากลัวอย่างนี้พระเจ้าค่ะนี่ก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเกิดความสงสัยระแวงอะไรก็มาหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าอ๋อญาติของท่านเขาต้องการบุญเมื่อวานนี้ทําบุญแล้วไม่ได้อุทิศบุญให้เขาก็เล่าอาดีตให้ฟังด้วยว่าพวกนี้เคยเป็นญาติของท่านสมัยพระเจ้าองค์ก่อนโน้ น, นท่า น, นเป็นพระราชาเหมือนท้งนี้แหละ แล้วก็มอบหมายให้ญาติเลือ่อแต่ก่อนก็ทําบุญเองถวายทําเองแต่ต่อมามีราชการอะไรต่ออะไรไม่สะดวกก็เลยให้พวกญาติเด็กเป็นแม่ครัวเป็นอะไรทําหน้าที่แทนะก็เอาทรัพย์ให้เอาทรัพย์ให้แล้วก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารถวายพระตาหารแทนคุณเจ้าองค์ก่อนโน้นแต่ทีนี้มีวันหนึ่งก็ลูกลูกของญาติเกิดผิวขึ้นมาก็ร้องไห้ อยากกินอาหารที่จะถวายพระนั้นก็คิดว่าเออเป็นเด็กไม่เป็นไรอ่ะก็แบ่งให้นิดนึงพอกินแล้วก็วันหลังมาเด็กมันก็ติดใจมันก็ร้องให้อีกเด็กก็ไม่เป็นไรอ่ะก็เด็กอ่ะเราก็แบ่งให้เยอะขึ้นวันต่อมาตัวเองก็อยากบ้างแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็ได้ชิมชิมไปบ้างอะไรบ้างมันก็เลยตระมาดขึ้นมาพอต่อมาก็เอ้ยนั้นเองเราไม่ต้องไปทําอาหารหรอกแล้วก็แบ่งเงินไว้เลยสิเอาเงินไว้เลยแล้วก็ อยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากทําอะไรก็ทําก็เลยยักย่อเอาทรัพน์นั้นไว้เป็นทรัพย์ของตัวเองพอตายแล้วก็เลยเกิดเป็นเปรตทุกทรมานมากกวจนกระทั่งคอยบุญที่นึ่จะพ้นจากความเป็นเปรตได้นี่ต้องคอยบุญแล้วที่หนึ่งจนกระทั่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพยากรณนะ์เอาไว้ว่านู่นพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะผู้บัติขึ้นมาแล้วญาติของท่านนะ่ะคือพระราชานั้นนะ่ะ จะไปเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารนะแล้วก็ชาตินี้หมายถึงชาตินี้แหละเธอจะพ้นจากความเป็นเปรตแน่นอนเลยจะได้เกิดเป็นเทวดาแล้วเขามีความหวังรอมานานโอ้ยพวกญาติของเราจริงจริงต้องบางทีก็เขาได้รับพยากรอย่างเงี้ยเขารู้เลยว่าเราทําบุญแล้วเราต้องอุทิศบุนให้เขาจาริงจะพ้นจากความเป็นเปรต เ, เขารอคอยหรือพระเจ้าพินพิสารก็เหมือนกับเพราก็ขรอคอยมาพอถึงวันที่ทําบุญละเขาคิดเราว่าวันนี้พ้นแน่วันนี้พ้นแน่เนี่ย เขาพ่อผู้เจ้าผู้องค์กรพยากรเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อพระเจ้าวิมสารทําบุญกับผู้เจ้าที่โคตรธมะแล้วเนี่ยอย่างที่บุญให้เราเมื่อที่บุญให้เราแล้วเราพ้นจากความเป็นเปลี่ยนแน่นอนเขาลอกคอยมาทีนี้มันไม่ได้ที่นี่ลืมไม่รู้ไม่ได้อุทิศบุญเขาก็โกรโมโหกลัวเขาก็กลัวไม่หลุดไม่พ้นจากความเป็นเปลียนอ่ะไม่พ้นจากความทรมานความหวังงงขรกลายเป็นความสิ้นหวังอะไรอ่ะก็ต้องแสดงอะไรต่ออะไรไปตามความรู้สึกของเขาอ่ะ มันทำให้เกิดทางไหนยะทาให้เกิดความหวนไหวเกิดความกลัวรึกรับรู้ขึ้นมาวันนี้เราไม่ได้บุญนะท่านไม่ได้อุทิศบุญให้พวกเรานะเราแย่นะทํำยังไงพวกเรานี่จะได้บุญคล้ายๆกับมันก็หาวิธีการที่จะบอกให้รู้อ่ะ่มันก็เป็นเทําให้พระเจ้าวินสาณมาเศ้าพราะพุทธเจ้าพระเจ้าก็เล่าให้ังเพราะฉะนั้นแล้วจะให้พระองค์ทํำยังไงอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่ก็ทําบุญแล้วก็อุิศบุญได้วันเนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าพระเจ้าขอเชิญพระองค์เสด็จ รับทัตตาหารพร้อมกับพิสูจทั้งหมดวัดในวันนี้เลยเพราะนั้นเช้าวันนั้นพระยอดก็สเสด็จไปใหม่พอเสด็จไปถึงพระราชาวังนะก่อนที่จะถวายทัตตาหาน่ะพระเจ้าบอกอยากรู้ไหมว่าญาติเป็นยังไงอยากรู้พระเจ้าค่ะพรพุทเจ้าก็เปิดให้ดูเลยโอ้โ ห, โ, หโหเป็นเปลือกสูงเทต้นตาลเนี่ยสกรปรกโอ้โหยุงลังไปหมดเลยเออเชื่อภาค ขาดมุง่งเนื้อตัวอะไรเนี่ยมีเลือดมีเนื้อแล้วแต่จะเป็นไปอ่ะยาติาเพียนดูสิความทุกข์ทร ม, มานพระเจ้าแสดงให้เห็นได้พอแล้วพระเจ้าข้าพอแล้วพระเจ้าข้ากลัวแต่ไม่อยากเห็นและม้วมจะกระปรกมากไม่สวยไม่งามอะ่ะเอาทีนี้ถวายพตฒน า, าถวายพระนานให้อุทิศบุญเลยถวายปั๊บ อ, อุทิศบุญไปถวายป้า อ, อุทิศบุญไปคราวนีอยากเห็นไม่อยากเห็นพระเจา้าข้าเปิดให้ดูคราวนี้โอ้เชื่อผ้าเนี่ยสวยงามเลยอ่ะ เขาสะอาดสะอ้านเป็นไหมมีจีบงงเลยผิวพรรณสวยงามเป็นเทวดาแล้วเอามาขอบบุญขอบคุณปฏิญาณตนขอช่วยเหลือเ ก, กื้อกูลก็คือญาติอะมันก็ญาติอะก็มากลับมาเป็นญาติเป็นมิตรมาปกปักรักษาคุ้มครองอะไรพวกนี้เขาละลืมแคบได้ถ้าเขาเป็นเทวดาปั๊บอย่างน้อยเขารู้ทันทีเลยว่าเพราะอะไรเขาจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาสุขสบายขนาดนี้อ๋อญาติคนนั้นคนนั้น น, น, น, น, น, น, นั้นเนี่ยเขาก็ จะมาช่วเหลือเกือกูลหรือมาขอบอกขอบใ จ, จให้ชินให้พร อ, อะไรก็ว่าไปแล้วแต่โอ้ยขอให้ท่านมีแต่ความถุกอุดมสมบูรณ์คําว่าอดอยากหิวโห ย, ย่าได้มีแกท่านเลยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาเจะพู้ว่าใจมันดีแล้วใจมันมีความสุขคสบา ย, ส, บายสมหวังแล้วสมความปรารถนาแล้วได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเพราะฉนั้นต่อไปนี้เราก็จะพากันทิดบุญตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพาเรากระทาําบำรุงมา รวบรวมกําลังบุญของเราเอามาไว้ที่จิตของเราบุญตั้งแต่อดีตเลยรวมเข้ามาจนถึงปัจจุบันที่เราทําไปเมื่อกีนี้รวมเข้ามาหมดเลย อ, อํานาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอานาจพระสงฆ์จงบนบันดาลบุญของขพระพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายวีมของข้าพเจา้า ให้แกยาติเวดาที่รักษาและนายเวนของพ่อของแม่สามีภรรยาลูกหลานพี่น้องผู้มีศักดิ์ศรีของข้าพเจ้าได้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่ถึงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ในบริเวณนี้ที่กําลังตอกการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าด้วย เมือรับอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดขอสมความปรารถนาะด้ยวยอำนาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ที่ทแผ่นนี้เมื่อสมความปรารถนาะแล้วให้มาปกปักราาักษาคุ้มครองดูงแลช่วยเหลือเพื่อนนีน้ข้าพเจ้าทำสิ่งใด้ขอให้มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งยิงไปด้วยการเดินทางก็ขอให้มีแต่ความสบายป ล, ลอดภัยมีความราบรื่นมีความเรียบร้อยลงตัว แล้วก็ให้ข้าพเจ้าได้เจริญก้าหน้าในธรรมะของพระเจ้าให้ยิ่งยขึินไปถ้าทำใดที่ข้าพเจ้าเคยติตสาล่วงเกินประสาขินใดต่อชีวิตยินใดก็ให้กรรมเหล่านั้นจงเป็นอาวุธจิตกรรมให้หมดให้สิ้นโดยเถิแล้วก็ให้มารับบุญเช่นเดียวกันให้มารับบุญของข้าพเจ้าให้พอเพียงกต่ความต้องการตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไปแล้วให้กลับมาสัญญาตินมิตรต่อกันต่อไป รวมทั้งให้บุญแก่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเกี่ยวกับูนประเทศชาติบ้านเมืองให้มารับบุญแล้วก็ช่วยหาทางออกให้ แ, แกประเชาติบ้านเมืองด้ยวยกันวันี้พอแค่นี้นะ